ภานานางเขาเปิดตาว่าการเจริญภาวนาเป็นั้นเดี๋ยวพูดยังไงง่ายคำเพะว่าคำว่าภาวนาคือทําให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาทําให้เกิดให้มีขึ้นเป็นไงคำว่าเกิดแล้วมีขึ้นในทีน่นี้นะความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอย่างลไรกิจจานา ถ้าขันอายตนะก็มีอยู่แล้วเท่นานเห็นอนนี้จริงทุกคั้งหน้าตาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทําให้เกิดในมีขึ้นคือมันไม่ทันชัดมันไม่ชัดไม่ปรากฏชัดเจนขึ้นมาโดยตนเองฉานยังเรียกว่ า, าวิปาปนาขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นมาโดยตนเองเพราะว่านาไม่ได้ออมาจากที่อื่นทั้งนาสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว คือพิจารณาสคำปฏิญาจริงจะมีแตแล้วถ้ามันแจ้งไปจากทำไมด้ยวยตนเองชัดเจนเด้ยตนเองเบื่อหน่ายคลายด้ยตนเองแต่ก่อนมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายมันไม่รู้แจ้งชัดเจนเพราะนานมันเบื่อมันหน่ายมันคลายมันชัดเจนเรียกว่าภาวนานางพระเวทตะวันคือเจริญภาวนาการภาวนาไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ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 คิดนึกว่าอยากจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นแต้วม่ให้เกิดขึ้นอยากรู้นั้นรู้นี้ไม่เอาดังเคยอธิบายฟังคาว่าใจสึบขวางเป็นกลางหัดใจเข้าถึงขวางเป็นกลางใจแท้เป็นของกลาง เพราะว่านายาพราท่านถึงผวางคือจิตเป็นกลางก็จะไม่รู้เรื่องของใจจะเป็นกลางที่อธิบายฟังคืออธิบายเข้าใจคําว่าใจให้รู้เรื่องของใจจะเป็นของกลางถ้าเมื่องใจมันจะปล่อยวางให้เป็นกลางนั่นได้จริงไหมภา ว, วานาให้มันถึงตรงนั้นข้าหายก็ไป บังคับเรื่อให้มันเกิดให้มันรู่มันเป็นขึ้นไม่ใช่เรื่องภาวนาจริงอยู่สติที่จะต้องควบคุมรักษาจิตไม่ส่งสายนี่ว่าควบคุมคำว่าควบคุมมันเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปใช้คำว่าควบคุมแต่เวลาพูดถึงเรื่องด้านภาวนาเวลาจะเป็นภาวนาไม่ใช่เรื่องควบคุม นี่ภาษาคำพูดเราไปติดภาษาคําพูดแล้วก็ทําตามภาษาคํำพูดมันเลยไม่ถูกภาวนาสติตามดูแลรักษาจิตว่าจิตมันอยู่หรือมันส่งออกไปจากนั้นจิตมันอยู่ในขอบเขตนั้นเลยมันส่งออกไปจากนั้นก็ให้รู้ให้ทันแล้วเลยเรียกว่าควบคุม เมื่อสติรักษาไม่ให้ใจส่ถ้าควบคุมมันเป็นเรื่องบีบบังคับเวลาจิตที่มันจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับเรื่องต้นมีอาการคล้ายกับบีบังคับแต่เวลาที่จิตจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบังคับแต่แล้วมันวางการบังคับคบังคาดว่ามันเป็นนั้นเะป็นนี้แหละ ก็คมให้เปลี่ยนไปมันวางถ้ายัางไม่ทันวางก็ยังว่าทันเข้าถึงภาวนาเพื่อไม่เข้าถึงใจเป็นกลางนิดเดียวที่สองพูดคําพูดในที่เราติดสมมติปัญญัติและก็ทําตามสมมติปัญญตัตาเว่าภาวน า, ว า, นานเนี่ยทิ้งสมมติปัญญัติย่ะมันยังค่อยไปเป็นกลางคาว่ารักษาคำว่าควบคุมไม่มีได้เนี่มีเรื่อง ภาวนายากตรงนี้ที่ว่ายากเนี่ยที่เราถอนทิ้งสมมติมันยางไม่ได้ยิ่งไปดูตำรับตำรามากมายเท่าไรยิ่ ง, งอธิบายขว่งขวงพฤสดารเรไปพูดกันโดยเฉพาะในพูดใ น, นตรงที่มันเป็นเองแต่นี้เราพูดเป็นเรื่องคำพูดตรงที่มันจะเป็นภาวนานี่ยคือสติ มันก็วางสมาธิยังเหลือแต่สมาธิคือความนิ่งแน่ยอยู่อันเดียวเคยพูดเหมือนกันสติสมาธิปัญญาสมดุลกันเมด่อใดมั น, น, ใ น, ใ น, ในวางเมื่อนะสติคือการควบคุมอย่างที่ว่ามันเแนี่ยสมาธิคือแน่วแน่เกินไปจนไม่รู้หนารู้หลัง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 ตรงนั้นแหละแต่งไม่ถูกแล้วแต่งบนตนคือมีสติควบคุมหนังี่อวายมานี่อันนี้ที่บายย้อนออกมาสมาธิก็เพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวปัญญาจะต้องสอดส่องรู้เรื่องที่จิตมันสงสยัยการกระทำกิริยาที่กระทำกระทำให้เกิดสมาธิ ให้เกิดภาวนาเรียกกระทาให้เกิดภาวนาเวลาภาวนามันเรื่องทั้งสามอย่างนี่มันพอดีต้องดูนันมันโผล่ขึ้นมาเองนะเทระนความรู้แจ้งชัดเจนจิตที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเช่นนั้นไม่เคเห็นคือรู้เช่นนั้นมันโขึ้นมานองมี่ารมะภาวนา เพียงว่าอยาให้มันเกินให้รู้ตัวของเราถ้าหากเราไปแพ้งอยากจะให้มันเห็นมันรู้นั่นเองไปแพ้งตรงไหนนะเจ็บปวดตรงนั้นหรือเน็่เหนื่อตรงนั้นพาะเขาแพ้งชานแพ่งกระสินอย่างไรบางท่านบางองค์ไปช่วยคนปว่วยคนเจ็บ แห่งพิจารณาไะจนเห็นเหมือนกันทำให้หายได้เหมือนกันแต่ เ, เวลาหายยังไงหนึ่อยโดยัวเนื่นอยมีเพ่งเกินไปทำเทวันที่เกินไปเริ่กเกิดปฏิเริ่กเกิดอภินิหารเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใช้ได้แต่ต้องอาศัยกองทันิชนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องละกิเลส ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำความสะอาดของใจสาาร้าดได้เตียงเคาน์น่ะคือไม่ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกให้แพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่อารมณ์นั้นก็ไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นอารมณ์ที่แพ่งคนอื่นนอกจากตัวของเรามีแพ่งที่ท่านเรียกว่าชา แต่ขนาดชานที่ท่านหัดในทางที่ถูกต้อ ง, องจริงๆนะจังอันนี้มันจะออกไปเป ไ, ไปตั้หน่อยแต่ที่ชามที่ท่านหัดของท่านีาจริงๆนะจังนังท่านแพ่งกระสินโดยที่ไม่ได้ดินน้ําไฟลมโดยที่ไม่ได้บังคับปล่อยวางพอดีพองามสบายสบายไม่ได้นิดเหนื่อยอะไรเมื่อได้ที่แล้วนั้น จะน้อมไปในสิ่งที่ตนต้องการในรารถนาเมื่อเพ่งเราไปจิตมันแน่วจนกระทั่งจะแพ่งดินหน้าไปลมอะไรต่างเพ่งต้องการเพ่งอยากจะให้เกิดความอบ อ, อ, อุ่นขึ้นแพ่งพิจารณาความร้อนจนเห็นชัดบางทีก็เกิดปฏิภาบเป็นไฟลุกโคลงขึ้นจริ ง, งจริงจังอันที่จะทำให้อบ อ, อุ่นขึ้น บทีเพ่งความร้อนในใจว่าเป็นของร้อนของร้อนเมื่อมันชัดในใจอย่างนั้นเรายังเคยน้อมไปจะไปให้อบอุ่นยกคนอื่ น, นอะไรต่างๆหรือจะให้สิ่งเดีย อ, อุ่นยังเคยน้อมไปไม่ได้ดเหนื่อยแบบนะหลักของท่านเพ่งในชา้วนะท่านท่านทํ า, ทาทอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ผิดรูปทาง ไม่ได้ส่งออกายนอกคือทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวของในภายในของตัวของทาง่านถ้าให้เอาภายนอกเหนื่อยจึงว่ามันเป็นฆ่าะออกเควไว้อไนอกทางได้หน่อยตัวสติคล้ายๆก็อธิบา ย, ยกันทั้งหมดแลนะพูดกันโดยส่วนมาก เราควบคุมสติคุมจิตแนวอยู่ทานถ่ายเดียวไม่สงสัยไปไหนละ่ะถ้าเพียงแต่ใช้สติกล้าแข็งขนาดนั้นน่ะทำให้เหนื่อยเช่นเดีอนกันยังว่าฉันเรียกว่าสติสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีสติคุมจิต เ, เราอยู่เช่นนั้นแต่ไม่เป็นเรื่อง ที่จะเป็นเลือกกดบีบังคับมันพอดีสตีมพอดีกับสมาธิพอได้สัดได้ส่วนมันก็สบายสบายไป ด, ดีไม่ได้เน็ดเนี่สตีกับสมาธิได้เป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันจะยืนจะเนินนั่งนอนไปมาได้ไหมันก็สบายถึงกายทำอะไรก็ตาม จะวาจาจะาพูดอะไรก็ฉับแต่สติก็สมาธิดำเป็นอีกเรื่องนึงมันอยู่อีกีนส่วนหนึ่งของวัตถุ น, นานั่นสติก็สมาธิเข้ากันทีแรกถ้าหาเราสติกลา้าต้องเพ่งต้องควบคุมจนเหน็ดจนเหนื่อยอันนั้นจิตยังวม่ทันเป็นภาวนาถ้าเป็นภาวนาล้วต้องอยู่ันเดียวไป ปัญญาที่ใช่ว่าปรุงสารอะไรก็ไปตามรูดั้งเห็นหมั้ไม่อยู่ที่ส่งออกไปเห็นโน่นเห็นนี่รูนนโน่นนีอ่อะไรต่างต้งแต่งเป็นตัว น, นั้นก็ไม่สงบมยังว่าฉันเป็นภาวนาปัญญากล้าไปเลยปรุงสารไม่มีหลัก ถ้ามีจุดถ้าหางก็ปัญญานั่นแหละส่งสายล็ประสบะการณ์อันแรกหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ใจสลดหดหูเปรียบเหมือนกันกับว่าขนไก่ถูกไฟก็หดกลับคืนมาย่างสรงสายไปเห็นไปรูปไปเห็นแล้ว ไปเห็นสภาพที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแลา้วต่างๆในคิดรุงแต่งไอนาคตเห็นว่าตนจะต้องดับต้องเสื่อมสูญเห็นว่าตนจะต้องพระพ่าจากของรักของชอบใจหรือสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายาพระพ่าจากของรักของชอบใจแล้วมันมีสาระนั่นเอง มันปัญญาไม่สงสายเลยมันกับสัญญาปเป็นของปัญญากับสัญญาปเป็นของเมื่อไปเห็นเช่นนั้นเขาเลยมันหดไปค่ะมันไปส่งไปมันสลดสังเวชตัวของเราเองซึ่งตัวของเรานอนเฝ้าความแก่เจ็บ ต, ตายซึ่งตัวของเราจะต้องเหมือนกันกับตัวของเราเป็นเช่นนั้นที่เราเห็นมาแล้วนั้นเหมือนๆกันหดเข้ามา หยุดอยู่เลยนั่นเป็นภาวนาเอาถ้าสามอย่างนี้แหละเราสติสมาธิปัญญาถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งเรื่องสติก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีมันพอดีพงงามมันหดลงมามันไม่อยู่อันเดียวแล้วมันทั้งสามเลยไม่อยู่ในที่เดียว ลักษณะเช่นนั้นที่ท่านแสดงว่ามันรวมชิ้นสมาธิปัญญารวมที่เรียกว่าสมัคีหรือมากกว่าสมัคทีชิ้นสมาธิปัญญาไม่อยู่ในที่เดียวตรงนั่นแหละคำที่ว่าสิ้นสงสัยในคุณพระพุทธธรรมทสศ์สงสัยในอดีตนาครหมดเรื่องกัน อดีตเราจะดีหรือไม่ดีเนาะแล้วเราจะชัว่วยหรือดีอะไรต่างๆเนาะอนาคตเราจะเป็นดีหรือไม่ดีเนาะอะไรต่างๆเราจะทําอะไรต่ออะไรเนาะไม่มีลงในปัจจุาบานันในปัจจุาบันก็มารรู้สึกว่าเป็นปัจจุาบานันสับมันไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากคือมันละอาดีตอนาคตแล้วปัจจุาบันก็เลยมาปรากฏในขณะเนาะแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งเข้ั ม, มา ยังนี่ด้วยการภาวนามันยังค่อยเป็นทำย่างงี้ยังค่อยถูกเวลามันถูกนึ่ที่อธิบายฟังนี่น่ะถ้ายังไม่ไถูกมันก็ยังไม่ชัดถ้าถูกแล้วโอ้ที่ถ้าอธิบายไปยงี้ชัดเลยวันเดียวตัวเองถึ ง, ถงยังไงก็ตามเถอะจะเป็นไม่เป็นหรือจะถึงนั่นหรือไม่ถึงนั่น แต่ให้เข้าใจจะภ า, าวนาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องบังคับให้เกิดให้มีขึ้นแต่เมื่อมันได้สัตว์ได้สวยมันเกิดมีขึ้นมาเองจนถึงภาวนาเริ่มต้นเรารักษาเราใช้สติควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนี่จาเป็นอยู่นะแต่เวลามันได้สัตว์ไี้สวยเกิดภาวนาขึ้นมา ไม่มีตาม่างกับอย่างเราจะพิจารณาเบื้องต้นเช่นอาการทั้งหลายในอวัยวะของเราเรียกว่าอาการสามที่สองคดียรจะเป็นธาตุหรือขันอะไรก็ตามถึงาพิจารณาเรายิบไปแนวหนึ่งขึ้นมาตั้งไว้แต่เอาสติอันเป็นปุไปเพ่งพิจารณาตรงนั้น อย่าไปบีบบังคับมันแต่ว่าเพ่งพิจารณาอยู่ในทีท่เดียวเคยเห็นจิตที่มันไปตีตรงนั้นหรือมันออกจากตรงนั้นถ้าตีไปแพ่งเงี่ยพิจารณาย่านั้นเห็นหรือถ้าตีไปจดจ้องอยู่ในเดียวเราเห็นน่ะมันอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหนีจากนั้นเห็นรู้เลยที่เราเรียนที่เราศึกษามาที่เราเข้าใจว่าถ้าสี่นี้ ข น, น, นผมเล็บอผมขนเล็บฟันหนังในเอ็นกระดูกนี้เรียกว่าท่าสี่ท่าสี่ที่เราเห็นว่าตามบัญญัติสมุดเห็นว่าเป็นอาการลักษณะอย่างนั้นเราแพ่งกิจารณาอาการอย่างเดียวขอดีเมื่อมันไปอยู่ในจุดเดียวมาเข้าในที่เดียวแล้วอยู่ในที่เดียวแล้ว ดินนะบางทีมันจะเกิดผ้าเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนหนึ่งหรือในขณะนั้นมันก็จะปรากฏเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ใช่ว่าดิไม่ใช่เรียกว่าดิเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ทราอะไรคนันไปถึงตรง น, นั้นมันไม่มีบัญญัติมันเป็นสภาวะอันหนึ่งมันนั่นเป็นธรรมชาติธรรมดาอยาู่นั่น น, นก็ทำมาเขาถึงตรงนั้นน้าไฟลมก็เช่นเดียวกันฐานที่ตั้งที่จะให้เกิดภาวานาจะให้หนีจากตัวของเราจะเห็นเป็นท่าต่างเห็นเป็นขันธ์อายุนัตรชคนเรามายึดสมมติบัญญตัต ไม่เข้าตามสัจจะไม่เข้าตามสัจจะตรงจริงๆมันจึงปล่อยวางขันไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุคือธาตุดินดินไม่เป็นของใครมันเกิดมีตั้งอยู่นะดินใครจะคุดจะคุย้ย ใครจะบว้วนนำบูกนำลายของเขาก็ปลุกเทลงไปมันก็นเชิง้างปฏิญญาเห็นเป็นดีลักก้อนดิ้นน่ะนี่ใครทำมันไ้วันก็นแข็งนะเพราะไม่ถือว่ามันถูกเราเถอะคาว่าเรานะ่ะเขาทุบเขาตีแล้วแล้วเขาด่าดูถูกหยาดยานแบบะนคาว่าเราเถอะน่นนะเกิดมาหน้าทิฏฐิกิเลสปุง ม, มันเพื่อเยี่ามสอนให้เห็นเป็นธา ไม่ใช่ในธาตุนะมันสบายแต่คนเข้าใจว่าที่มันพุงเฟ้อคือมันรู้ตอบคนอื่นนะเข้าใจค็อของดีของดีอืเพราะคําว่าถือว่าเราเนทะ่านั้นเราคําว่าถือถือเราเท่านั้นหรือถือเราเป็นดีหรืออะไรแกก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างเราเราดีเลิดีเด่นเด่นมันเป็นเรื่องพิเดษเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารนาเห็นเป็นธาตุมันจะได้ได้รับความสุขสงบมันสบายตัวอะไร ห้าสี่ดินน้ำก็เหมือนกันนะอย่างแมน้ำโขงก็ดีและน้าอยู่ในสระในบ่ออะไรก็ดีน้ำแมน้โขงอะไรเออยใช่ตะโกนร้องว่าอมันก็เฉยเฉคจะมาต้มมันก็เฉยเฉยจะ่าซักฟอกล้างของสกปกมันก็เฉยเมันไม่เคยจะ บ่นและเคยจะอุทธรร้องขออะไรกันต็ไครทั้งหมดนง่น น, น้ำไฟกันเหมือนกันสิ่งที่ร้อนมันไฟที่ปรากดเป็นแสงเผาไหม้ที้ย า, าหรือต้นไม้ภูเขาป่าดงอะไรนั้นไฟส่วนหนึ่งไฟส่วนที่ว่านี่ว่าทั้เรื่องคือกองอบ ทิงเที่ยอุ่นเรียกว่าธาตุไฟเพราะวกอุ่นันมีต้นมีตัวนั้นก็คือลมไม่ปราดกว่าพราะพวอุออว่นอยู่ในที่ใดเรียกว่าไฟจริงๆความเย็นและการพัดปั่นป่วนไปมาในที่ใดเรียกว่าลมในที่นั้นไม่มีตัวมีตมัว ต, ต้องคิดดูสิละไม่มีตัวมันอยู่ได้ยังไงลมมันก็ไม่พ่อนีแม่ ไม่มีญาตในี่นอลไม่สราบมันเกิดมาอย่งไเราพิจารณาลองดูให้พิจารณาเพียงเท่านี้แหละให้พิจารณาหาของจีตาเป็นจริงมันทำไมมันยังมีลมลบมันมตรงไหนมันเกิดมาจากอะไรลมที่มันที่มันหายจใจเข้าจะออกนี่อีก อ, อย่างห น, นึ่งเอานี้ก็จะค้นคว้าดูก็ได้ ในรักวิชาการแพทย์เขาไปร้าเขาเรียนกันยังไงจะมาทำไมเข้าใจพุทธศาสตร์ศนาลมจะเกิดเกิดจากสวางคือขออกระพองลมคือในตัวของเราในร่างกายเรามันมีกระพอมันมีพองลมรักษ า, ษาธรรมะทานได้ออกสว่างเขาบางๆก็บังลงมเ็าอยู่อะไรอันนั้นแหละเคลื่อนไหวใช่ปะ ลงให้ใจยังเกิดขึ้นมันเป็นต้นเหตุให้เคลื่อนไหวแล้วจะเห็นได้สัตว์บางอย่างพ่อที่เขาครวนเขาป่วอย่างที่เขาแวกออกมาแล้วนะเป็นไก่หรเป็นสัตว์อะไรก็ตามเกระบางลมมันยังมีอยู่ภายในจิตวิญญาณไม่มีแล้ถ้ายังมีกองอบอุ่นอันนั้นเราจะต้องเคลื่อนไหวเพราะ นั่นแหละเป็นเหตุในกครให้มีลมเกิดขึ้นพอลมมีไฟก็มีด้วยกนาาออันถ้าหากว่าหมดความอบอุ่นไปแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวพอลมกับไฟอยู่ด้วยกันถ้าไฟมีลมก็ต้องเกิดถ้าไม่มีไฟลมก็ไม่เกิดหรือว่าลมไม่มีไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ลมกับไฟเรื่องของมีตัวถ้าเราพิจารณาลมให้ถี่ทั่วลตไปไอ้เพ่งพิจารณาตรงนั้นน่ะตัวเราที่อยู่ได้เคลื่อนไหวนังไงคือมีลมกับไฟน้ากับดินนั่นเป็นประธานแสดงให้เห็นชัดปรากฏภายนอกเห็นไนเด้อดตาไอ้ลมกับไฟเห็นในเดือดใจถ้าลมกับไฟไม่มี กายนี่ยจะเย็นเหี่ยวแหกคลองอืดขึ้นมาเลยและตัวนี่แหละตัวลมไ อ, อตัวดินกับน้าเนี่ยเป็นที่อาศัยคลองลมกับไฟไฟนั่นหล่อเลี้ยงดินกับน้นาน้ําดินกับน้าเป็นที่อาศัยคลองลมกับไฟให้พิจารณาในอะไรมากมายแหละพิจารณาทีนี้แหละ มดเท่นเนี้ตัวตนคนเราม่ฌานหายไปไหนไม่มีคนถ้าหากว่าไม่มีตัวตนคนเราหายล้ก็หมายความยังเหลือแต่ใจใจไม่ใช่ตรงนั้นนี้มันอีกคนหนึ่งต่างหากถ้าใจมันแน่โอแน่อยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาอย่างนี้ละหายหมดของมันยังเหลือแต่ผมผูรู รู้ว่าเราหายไม่มีอะไรรู้ว่าเราสงบรู้ว่าเรายินมันสบายนี่มันไม่ใช่ของยากเท่าไรเลยคารที่พิจารณถูกของง่ายเลยพอนะถ้าพิจารณาไม่ถูกลลยยากใช่ให้เป็นแบบนี้ในอะไรแต่อไปล้วยเป็นเรื่องยุ่งยากยากถ้าเราพิจารณาถูกอย่างนี้ไม่ใช่ของยากอย่างนี้เอาไปติดของตื้นๆเปลือกนอก อยากเห็นอยากเห็นอยากรู้สมาธิงั้นภาวนาอย่างนี้ฌานน้นปัญญาอย่างนี้อะไรต่างๆจะติดดีจะเพียงแค่ไหนแต่มาให้ภาวนานะคือให้มันถึงสภาพความเป็นจริงของจิตคือว่าดินหน้าไปลงอย่างที่ว่าเป็นเป็นของจริงแต่เราไม่เห็นจริงเราไปเห็นเป็นแค่สมมติวัาเนี่ยสภาพเดิมแท้ๆไม่ใช่สมมติบ่าเนี่ยที่ว่าดินน้าไปลงก็ไม่ถูกเหมือนกัน ที่วัดดีนวลนา้ำไผ่ลมมันไม่มีในที่นั้นมีชื่อแต่เรามาบรญญัติขึ้นขอให้เข้าใจความหมายถ้าหากไมบรญญัติขึ้นก็มีเรื่องที่จะพูดและคนอื่นเข้าใจรู้ได้ถ้าคนไปเห็นเน้อตนใครไปเห็นเนืตนเองะบรญยัติมันหายได้ไม่สร้างหายไปนะนั่นอยู่เหลือแต่สิ่งหนึ่งของมันต่างหากนั่นเดียวของจิต ที่ไายเห็นของจริงตามเป็นจริงคิดแรกว่าไม่เห็นตามเป็นจริงกค่อยพิจรารณาใช่ไัมเนี่ยมาดินน้ำใโรมอย่างที่อธิบนนายนี่ยไม่เห็นตามเป็นจริงจะต้องใช้สมมติแบบนี้เมืนเนม่อไปถึงตรงนั้นแล้วเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วับเลยเนี่ยสมมตมิแบบนี้เนี่ยเรียวบร้อยนะเอาละอธิบายเสร็จแล้ว หมอเรียนดีทุกสิ่งนี่เเห็นหมากแล้วมาเห็นทุกสิ่งทุกการแต่ไม่ติีแต่เพียงนั่นนะเรียนมาก <c oughs> เรีนเลยไปมันเลยหล่บหลับของจริงไปเลยเห็นทุกสิ่งทุกชิ้นทุกส่วนเลยว่าจนเห็นของจริงมันไม่เห็นเห็นของจริงแต่มันมเป็นตามจรงิงไม่เป็นตามตีจริง ข้องจริงอยู่คือจริงสมมตินนั้นเอ็นอันนั้นเนื้ออั น, นั้นกระดูกอะไันก็จริงสมมติเพราะว่าแต่มันไม่เห็นเหข้องจริงแต่มันไม่เป็นตามจริงตามความเป็นจริงจริงข้องมาเมื่ อ, อไหร่ น, นั่นแหละเข้าถึงภาวนาแล้ว อันนี้เปภาวัตภวนนั่นนี่ตามสมุดบัญญตัติเลยดีเจีเพียงแคนนมีหายว่ามีปัญหาถามอะไรเราวะพิจารณาําไมยังเราพิจารณาอย่างนั้นคืออยากเห็นของจริงตาเป็นจริงเห็นว่ามีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์คือระงับความเดือดร้อนเจ็บทุกข์ต้องการความสุขคนเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุขแต่มันไม่สุขสักที เพราะไม่ไม่เข้าถึงของจริงตามเป็นจิตหลายไหนที่เราจะจัดตัวกลางย่างว่าเราคิดแต่อดีตนั้นเรียกว่าไม่ใช่กลางคิดอนาคตก็ไม่ใช่กลางอยากคิดอดีตอนาคตจะส่งไปตามอาดีตอนาคตให้มันเฉยๆใช่ไหนี่คือคนหาตัวกลางนะ เราไม่ยินดียินไล่แหละยินดีก็ไม่เอายินไล่ก็ไม่เอาวางกลางไม่เกิดยินดียินไล่หรือสมมุติว่ายินดีอยู่ข้างข้างขวายินไล่อยูางซ้ายเราวาดภาพขึ้นมาที่ใจของเราเนี่ยแล้วเราไม่ให้ยินดียินไล่แล้วไม่เอาทางยินดียินไล่แล้วเอาตัวกลางกลางอันนี้คืค้นหาตัวกลางได้เหมือนกัน หลายวิธีที่จะค้นหาแล้วนี่ต้องการหาตาัวกลางอยู่วะยังไม่ทันรู้ตัวกลางคือมีลักษณะาอาการยังไงยังเคยอธิบายฟังว่ากลั้นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไม่ออกไม่ต้องหายใจออกหรายใจเข้ า, าเฉยๆกลั้นมันไปมันเป็นตัวกลางก่อนจับหาตัวกลางเพราะถ้าจับตัวกลางได้แล้วคันนี้ ที่เราว่าจะให้จิตเป็นสมาธิแล้วจะบอกไม่ต้องกุ๊มันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันไม่อดีตอนาคตมันไลา่างไม่ช้างไม่เชาะไม่เกิดไม่โกดะมันเฉยๆเป็นกลางมันก็เลยเป็นสมาธิในตัวอันนี้ว่าสมาธิตัวรงกลางงนั้นแหละเราจะเห็นมันชักขึ้นมาอะไรเกิดก็เกิดในตรงนั้นคอันนี้เห็นเห็นที่เกิดพลงศิลป์ต่างๆความรู้ที่เกิดจากเสียงกลางคือตัวปัญญา